อาทีนี้ใครจะถามอะไรก็คุยกันมีคำถามนะคะหลวงพ่อส่งมาค่ะคำถามว่ามีผู้สอนศาสนาบางท่านค่ะสอนว่าเฉยๆเนี่ยเป็นโมหะแล้วจะเฉยอย่างไรจึงจะเป็นเฉยในโลกุตระค่ะแล้วถ้าเราชอบความว่างก็จะกลายเป็นอรูปปัจานอีกใช่ไหมคะค่ะ เรื่องพวกนี้น ะ, ะถ้าสมมติว่าจากที่เห็นนี่นะเฉยเนี่ยหมายถึงอุเบกขานะคือเฉยแต่รู้ทุกอย่างนะอันเนี้ยภาษาสมมติก็อาจจะเรียกว่าเฉยก็ได้แต่ถ้าภาษาโน้นเขาเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาก็คือรู้แจ้งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะหมายความว่า อ, อ, อุปมานะอุปมาเช่นอเรื่องรู้นี่แหละมันเกี่ยวกับเรื่องรู้นี่แหละว่ารู้เนี่ยเป็นผู้เฉย รู้เนี่ยนะเป็นผู้เฉยเพราะรู้เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแต่ไอสิ่งที่ที่ไม่ใช่รู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายก็คือสังขาร น, นั่นแหละที่มันวุ่นวายคือมีความสุขบ้างมีคุ้มซ่านบ้างมีสบายบ้างไม่สบายบ้างมีร้อนมีเย็นมีหนาวมีอะไรก็แล้วแต่เนาะที่มันรุมร้าวทั้งหมดทั้งสิ้นคือเป็นปรากฏการณ์ของสังขารในขณะปัจจุบันนั้นแต่รู้เนี่ยเป็นรู้ชนิดที่รู้ที่ตั้งมั่นรู้อุเบกขารู้แจ้งแต่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้สะทกสะทานสะเทือนกับสิ่งที่อยู่รอบข้างมันนะอันนี้คือพูดให้เห็นภาพออพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้เลยว่าอ๋อไอแบบนี้ถ้าเป็นภาษาสมมติมันเฉยจริงๆแต่มันไม่ใช่เฉยซื่อบือ้อไม่ใช่เฉยแบบ เ, เข้าฌานหรือไม่ได้เฉยแบบกบเกือนหรือข ม, มอะไรไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าไม่ใช่เฉยแบบไม่รู้ไม่ชี้ไอเ น, นี้ยเฉยแบบรู้แจ้ง รู้แจ้งหลวงพ่อใจกค่นี้รู้แจ้งแต่ก็ไม่หวั่นไหวที่มันไม่ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรอ่ะมันเป็นสภาวะที่รู้แต่รู้เนี่ยเป็นความรู้ที่ไม่ปรุงแต่งไงเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นการรู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งแล้วรู้เนี่ยมันจะไม่มีอาการในรู้เนี่ยจะไม่มีอาการไม่มีอาการใดๆทั้งหมดเพราะอาการที่มันมีเนี่ยคือเป็นเรื่องของสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเลย แต่ธรรมชาติรู้เนี่ยจะไม่มีอาการใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นคำว่าไม่มีอาการก็มองออกให้มองออกแล้วกันว่าอันใดที่มันเป็นอาการอันนั้นน่ไม่ใช่รู้แต่รู้เนี่ยมันไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อยู่มันไม่ปรากฏว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงรวมถึงมันก็พูดไม่ได้มันก็คิดไม่ได้มันก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยมันได้แต่รู้เฉยๆน่แหละภาษาบางทีเนาะ <c oughs> อ, อ้าทีนี้มันมีที่ถามตรงไหนอีกที่หลวงพ่อไม่ตอบช่วยช่วยเฉยเฉยมอ๋อเมื่อกี้ก็คือเออันแรกอะค่ะที่ก็บอกว่าถ้าท่านคนสอนอสอนว่าเฉยเฉยเนี้ยเป็นโมหะแล้วจะเฉยอย่างไรดีค่ ะ, ะจึงจะเป็นเฉยในโลกุตระค่ะอ๋อถ้าเฉยในโลกุตระที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนี่แหละเฉยในอุกุตุกุตุกตระนะก็คือรู้แจ้งหมดทุกอย่างส่วนโมหะเนี่ยก็คือเฉยแบบซื่อบื้อ ไม่รับรู้อะไรใครพูดอะไรก็ไม่ฟังอะไรเกิดมาก็ทําสมาธิหลบหมดเลยกลบๆเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะบันน้อยหอยสังะ่ะบันน้อยหอยสังพอเกิดอะไรปั๊บเข้าในหอยสังเลยใช่ไหมพอเกิดคนว่าคนดา่าไม่สบายใจหน่อยเข้าฌานเลยคือเป็นสมาธิกบเกินหมดเลยอันเนี้ยเฉยโมแบบโมหะแบบไม่รู้<า>ก็เป็นความหลงความอะไรลภาษาไม่รู้ต้องแปลคําทางาพัทธอริยั<า>นะะ<า>แต่หลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้แล้วว่า ถ้าแบบโมหะมันตรงกันข้ามกับแบบแบบเฉยแบบรู้ใช่ไหมมันตรงข้ามกันแน่นอนเนี่ยมันตรงกันข้ามเพราะไอ้รู้ถ้าถ้าแบบเฉยแบบแบบรู้แจ้งเนี่ยมันมันค่องแค่ว่องไวต่อการรับรู้เนาะแต่แต่มันไม่เข้าไปเป็นมันมันคือมันสงบไงมันมันสงบมันไม่ไม่หวั่นไหวอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเฉยแบบนี้แต่ถ้าโมหะมันจะตรงกันข้ามตรงกันข้ามก็หมายความว่ามันไม่รับรู้แล้วก็มันซื่อบื้อแล้วก็มันแบบหลบอย่างเดียวไงเพื่อที่จะ โมหะเนี่ยคือมันไม่ต้องรู้อะไรอ่ะเขาเรียกว่านักนักปริยัตเนี่ยเขาอธิบายได้ดีแต่หลวงพ่อเขาถึงบอกว่าหลวงพ่อไม่ค่อยเรียนศัพกพงษ์เออโยแหม่มโยแหม่ ม, มเอาหน่อยก็ได้คาว่าโมหะคืออะไรตามตามหลักที่เขาอธิบายนะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเราเทาเราแค่ปริยัติไปเนาะผู้ปฏิบัติที่เขาเข้าใจว่าเขาสงบหรือเขาไม่ได้ ไม่ได้บวกหรือไม่ได้ลบกับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึงอะเหมือนกับเลือกเฉยๆไปอ่ะนึกออาไหมฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่ได้ดีใจฉันไม่ได้ไม่ได้ใจไม่ได้คอเท่เฉยไปเลยงนี้ใช่ไหมคะใช่คือมันเหมือนที่หลวงพ่อพูดว่าหลบอะเขาเลือกที่จะเลี่ยง <c oughs> อือก <c oughs> เลือกที่จะไปอยู่ในโหมดที่แบบไม่ไม่อะไร แล้วเขาก็เข้าใจว่าไอการไม่เลือกของเขาเนี่ยมันคือมันคือการไม่เข้าไปมีหรือเข้าหรือไม่เข้าไปเป็นแต่จริงๆไม่ใช่อ่ะคือเลือกที่จะไม่มีไม่เข้าไปมีแล้วไม่เข้าไปเป็นขออนุญาตจ้ะอย่างนี้เป็นเวทนาใช่ไหยครับเป็นเวทนาก็คือไม่ไม่ไม่พอจะพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยอะฮะคายๆอย่างนี้ยังเป็นเวทนาอยู่ใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าทีนี้ ตัวตัวผู้ผู้ปฏิบัติเองเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นวิหารธรรมที่เขาควรจะอยู่อะไรเงี้ยเอาตรงเนี้ยที่แบบไม่ไม่ยุ่งอะไรกับไม่เป็นไปตามธรรมชาติอะ่ะเออแล้วกเอาส่วนเนี้ยเป็นวิหารธรรมความเข้าใจผิดอันนี้ก็คือทำหลงหรือก็คือโมหะเ ข, าข้าครอบงำ มันเป็นอารมณ์ที่มันเหมือนกับทือท่อๆใช้ทํางานทําการอะไรไม่ได้ค่ะ <c oughs> ที่เขาเรียกซืีเบื้อนั่นแหละที่บางคนเนี่ยพอมีสมาธิเยอะอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ทุกไม่ร้อนอื <c oughs> พี่ก็จะถามว่าเอ๊ยตากแดดมันร้อนปะเนี่ยเขาก็บอกไม่ค่อยร้อนนะพี่เลยบอกเอ้ยเอ้ยนี่ถ้าตากแดดแล้วไม่ร้อนนี่มัน มันจะใช่ไหมอะไรเรากําลังเรียนรู้ธรรมชาติใช่ไหมแต่ถ<ะ>้าสมมุติว่าเราอยู่กับธรรมชาติแล้วแล้วไปไปเสพอารมณ์นี่มันมันอีกนออะมันปฏิเสธอย่างเงี้ย <c oughs> ว่าถามง่ายๆเลยอ่ะบอก <c oughs> เออครั้งนี้ทํางานตากแดดร้อนไหมไม่ร้อนเลยพี่แบบมันไปตากแดดเราก็รู้สึกทํางานด้วยความล่มเย็นอะไรเงี้ยเออเออ อ, อ, อะไรเงี้ยสมาธิเยอะไปแล้วป่า <c oughs> แรืวเขาเขาเขารู้สึกว่าเขากําลังจะต้องแบบว่ามีความวิเศษกว่าคนอื่นต้องแบบว่าอดทนได้มากต้องไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยในหมดสะกดจิตตัวเองเขาไปอีกอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะทีนี้หลวงพ่อมาเทียบนะมาเทียบกับ เ, ออเรื่องเรื่อ ง, องที่ที่หลวงพ่อสแสดงธรรมนะหรือว่าใครสแสดงธรรมก็แล้วแต่นะคนพวกเนี้สยสมมุติว่าเขามาฟังธรรมเนี่ยแต่เขาไม่พิจารณาตามเลยเขาจะนั่งแบบ ได้ยินแต่ก็ไม่ต้องคิดตามคือแบบเฉยๆคือไม่ตื่นตัวไม่ไม่ทำความเข้าใจไม่มีการแบบนั่นะที่เขาบอกว่าซื่อบื้อที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเนี่ยพี่มันไม่มันจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะสมัยที่แบบว่าปฏิบัติใหม่ๆเมื่อ20ปีก่อนนั่นแหเราสมาธิมันมากเนี่ยวิปัสสนูมันกินเนี่ยเนา ะ, ะมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะ นั่งอยู่ตรงเนี้ยหรือหรือไม่ต้องกินข้าวเลย<ม>เด็กวันก็คงไม่เป็นไรหรือเราไม่ต้องนอนเลยสักเดือนก็คงไม่เป็นไรอะไรเงี้ย <Okay. S 2> แล้วพอเวลาที่ไก่สัมผัสอะไรก็ตามเนี่ย ม, มันจะมันจะมึนๆชาชานะเวลาที่เราเข้าไปในห้องน้ําเราอ่าเวลาที่เข้าเบรกอะ่ะให้เราไปฉี่อย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามัน มันเราก็ต้องไปตามหน้าที่เนาะ <Huh. S 1> พอไปฉี่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราไม่มีตัวตนมันลอยรอยมันจะแบบว่าเออมันไม่ฉี่มันไม่ปวดมันไม่ฉี่อะไรมันเหมือนไม่มีตัวตนน่ะมันลอยแบบอาการที่แบบว่าจะจะฉี่ก็ยังไม่ฉี่เลย <Huh? S 1> ต้องไปแบบตั้งสตินานมากถึงจะฉีได้หรือมีจานข้าวมานั่งตรงน้าเนี้ย มันไม่หิวมันไม่ได้กลิ่นมันไม่รู้สึกว่าเราจะต้องกินข้าวไม่จะต้องกินฉันก็อยู่ได้อะไรเงี้ยอู้มันเป็นหนักนะพี่ก็เริ่มเข้าใจว่าออกเว้ยสมาธินี่มันมากเนี่ยมาเข้าใจดีหลังว่าที่กอ้บอกว่ามันมันมันเหมือนเป็นเป็นผมลูกฟักอะมันไม่มันไม่มีอาการที่ว่ามันจะต้องกินต้องฉี่อะไรอย่างเงี้ย ทั้งนั้นทั้งนี้มันไม่เกิดปัญญาอะไรหรอกและเราก็จะเข้าใจผิดด้วยว่าเรามีคุณ ม, มีวิเศษได้เนื่องจากการปฏิบัติแต่ลาก็คือว่ามันจะพลาดพลาดไอ้สภาวะธรรมชาติต้องหน้าไว้ธรรมชาติของมนุษยนะ์อะถึงเวลาที่ควรจะหิวมันก็ต้องหิวถึงเวลาที่มันควรจะต้องปวดั้องชิมก็ต้องฉี่ถึงเวลาที่คุณควรจะนอ น, นคุณก็ต้องนอนใช่ไหม ใ่แ้แต่สมมติว่ามันไปท่งอยู่ในอารมณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเพี้ยนจากคนธรรมดาไปเลยก็ไม่ไม่สามารถเอาอารมณ์นั้นเอามาทำงานทำการอะไรได้เลยนะไม่ได้เลยแล้วก็ยังประหลาดคิดว่าตัวเองวิเศษไปอีกไปโน่นเลยค่ะโอ้ใช่ค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวตอบทุก ทุกแง่ทุกมุมของผู้ถามแล้วยังมีตรงไหนอีกไหมคะถ้า ถ, ถ้ายังไม่ครบส่งส่งมาถามต่อได้นะคะถามต่อว่าตรงนั้นยังไม่ตอบนะเออเออเออแต่ได้ตอบแล้วก็มีอีกอันนึงหนุน่ยเมื่อกีกถามอะที่ถามว่ามันเป็นยังไงถึงจะเป็นเรื่องของโลกุตลาเนี่ยคนที่อยู่ในไอ้คําเนี้ยมันคือสิ่งนี้มันต้องผ่านประสบการณ์เนาะสมมติว่าคนนี้ผ่านประสบการณ์แล้ว มันก็จะเข้าใจโลกตามความเป็นจริงเมื่อมันเข้าใจโลกตามความเป็นจริงมันก็ไม่ต้องทำอะไรนังนั้นการนี้ทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่โลกุตลาละถ้ามันจะใช่อะมันคือไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องทำอะไรมันอยู่กับสิ่งที่มันเป็นตรงหน้านั่นแหละมันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติแต่ส่วนใครอะจะมีวิหารละทำสมมติว่าเห็นทำแล้วถึงทาแล้ว เข้าใจธรรมชาติแล้วแต่วิหารธรรมของคนที่คุ้นเคยว่าเขาเคยทํากิจอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่เช่นเคยจเจริญสติเป็นนิดสก็เกี่ยวเกาะเกี่ยววิหารธรรมเป็นสติก็ได้ซึ่งปกติถ้ามันเป็นเป็นโลกุตละเนี่ยมันก็จะตัดเข้าความว่างของมันเองเป็นเป็นช่วงช่วงอยู่แล้วอันเนี้ย <c oughs> ไม่ได้ต้องทํา มันก็ตัดไปสู่บดว่างโดยโดยธรรมชาติของมันเองสลับว่างก็สลับกับการทำงานกันทางจิตเนี่ยว่างสลับไปสลับมามันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นคาถามที่ว่ามันต้องมันจะใช่หรือไม่ใช่อย่างนี้จริงจริงมันไม่ต้องตอบเพราะว่าถ้ามันใช่มันก็เป็นมันไปเองอยู่แล้วไม่พการจะพูดว่าวิหารธรรมเนี่ย ของคนที่เห็นความจริงตัวนี้แล้วเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันหมายความว่าภารกิจมันจบลงแล้วมันไม่ได้ต้องทำอะไรแต่ว่าความชอบในการเป็นอยู่หรือจริยวัดในอาชีพที่เหมาะกับฐานานุรูปอย่างเป็นพระคุณเจ้าก็ต้องมีสิ่งต้องสวดมนต์ต้องทำอะไรก็ตามกิจปกติอะ อางเราเป็นปุอ่าเป็นมนุษย์ษยอยู่บ้านธรรมาแล้วก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยทาให้บุคคลทั่วไปที่ทําไม่ได้ทําให้ถึงก็ไม่สามารถหยั่งคนที่เข้าถึงได้เพราะว่ากิจที่เคยทํำยังไงวิหารธรรมที่เคยมีอย่างไงมันก็เป็นอย่างนั้นรีบตอบคำถามหน่อยครบแล้วมั้งเพราะว่าทีนี้ทีนี้อ่าทีนี้หลวงพ่อมาวกแบบนี้นะเรื่องคําถามนะ สมมติว่ามีการถามเนี่ยหนึ่งมันมีตัวเรามีตัวเราเป็นผู้ถามาถ้าไม่เห็นว่าไอ้ผู้ถามเป็นสังขาร น, นี่นะมันก็ยังเป็นตัวเราผู้ถามอยู่ดีแต่ถ้า <บน S 1> เห็นขึ้ น, นมาว่าอ๋อการถามเนี่ยนี่คือสังขาร น, นะเนี่ยการพูดก็ดีการคิดก็ดีการฟังก็ดีทุกอย่างเนี่ยมันรวมลงเป็นสังขารหมดเพราะนั้นถ้าไม่เห็นในปัจจุบันขนาดที่มีสภาวะแบบนี้มันก็ยังหลงว่าเป็นตัวเราอยู่ แล้วเราก็รอฟังคําตอบเราอยากได้ความรู้อยากได้คําถามแล้วพอคําตอบได้มาเสร็จแล้วมันก็ไปยึดว่าเราเข้าใจแล้วหรือเราไม่เข้าใจหรือตอบผิดตอบถูกโอ้โหมันเป็นนู่นแหละถ้ารู้ทันในปัจจุบันเนี่ยขนาดที่มันเริ่มขยับอ่ะขนาดที่มันสตาร์ตอะสตาร์ตั้งแต่เริ่มคิดก็ได้หรือเริ่มถามก็ได้เห็นมันก่อนแล้วว่าอ๋อนี่มันเป็นสังขารแต่ไม่ต้องบอกว่ามันเป็นสังขารแต่ว่าเวลาหลวงพ่อพูดต้องพูดใช่ไหมให้รู้อยู่แก่ใจว่าอืมนี่ หลวงก็ต้องพูดเป็นภาษาเนาะเอาเห็นว่ารู้เป็นปัจจตัง ร, รู้อยู่แก่ใจว่าพออะไรขยับแอบรู้แล้วแต่ก็ไม่ต้องบอกว่ารู้หนอเอออันเนี้ยเพรวฉะ น, นั้นเนี่ยถ้าถ้าไม่แก้ตรงนี้นะความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็ยังยังเขาเรียกว่ามันมันเป็นอวิชชาเนาะเออมันเป็นอวิชชาก็ยังเป็นยังหลงยึดยังหลงถืออยู่เป็นข้าวงจรปฏิจจสมุปบาทอยู่ล่ําไปแต่ถ้ารู้เท่าทันปั๊บตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามัน มันรู้ทันรู้ทันต่อรอบรู้ในกองสังขารคือรู้ทันแล้วก็เข้าใจว่าเออมันเป็นสังขารมันไม่ใช่ตัวตวนอะไรตรงเนี้ยมันก็จะดับอวิชชาได้ดับหัวขบวนมันแล้วก็เพียรตรงนี้ให้มากนะที่หลวงพ่อพูดแบบเนี้ยถ้าจําได้ระลึกได้นะพอจะถามอะไรปับ๊บเอานึกได้แล้วแล้วก็มันก็จบแค่นั้นส่วนจะตอบไม่ตอบหรือจะอะไรก็ไม่ไม่เป็นสาระไม่เป็นอะไรเพราะถือว่าตรงนี้ยเป็นการที่ ละความเห็นผิดได้ในขณะตรงเนี้อย่างอื่นมันไม่ต้องการและไม่ต้องการไม่จําเป็นหมดเลยเรื่องโลกเนาะเพื่อวิชาการแบบโลกเราก็ต้องคุยกันแหละบอกเออโมห oh ะคืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องโลกแล ะ, ะใช่ไหมเป็นคาสมมุติเป็นอะไรก็อธิบายกันไปพ่<ช>าดน ะ, ะโดยธรรมะเพื่อ<ะ>เพื่อความหลุดพ้นเพื่อเขาเรียกว่ามีสติปัญญาคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยต้องรู้ทันขณะที่สังขารที่มันกําลังเกิดอ่ะปรากฏอ่ะหลวงพ่อคือคือพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ย เออมันจะพูดน้อยลงและสงสัยน้อยลงนะฮะสําหรับผมนะฮะไม่มันจะไม่เคยสงสัยเท่าไหร่อะฮะแล้วเราจะคําถามไม่เคยเขาไม่เค่อยจะมีอ่ะฮะประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นไม่รู้พูดทําไมเพราะว่าถ้าพูดก็ไร้สาระไปก็ต้องพูดเรื่องธรรมะใช่ไหมเคื้อพูดไปคือต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์พูดแล้วต้องให้เกิดปัญญาในอนนี้พูดถึงท่าทางธรรมนะต้องพูดแล้วต้องให้เกิดปัญญาในทางธรรมเออ แต่ถ้าทางโลกมันก็ต้องพูดใช่ไหมหน้าที่พูดอะไรก็ว่ากันไปเออมันแ ย, แยกแยกเรื่องได้ไงเออกรับพระคุณเจ้าครับมีมีคำถามอยากจะถามหลวงพ่อนะครับว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างเจอคือคือจริงชีวิตมันก็ก็มีอะไรหลากหลายเนาะแต่ส่วนหนึ่งมันจะมีความทุกข์อยู่อย่างหนึ่งในในช่วงนี้นะครับก็คือการเป็นห่วงใครสักคนหนึ่งที่ ที่เขาต้องเผชิญในสิ่งที่ที่เขากระทาไว้เมื่อครั้งอดีตแล้นะครับแล้วก็มาเป็นสิ่งที่เขาต้องไปเผชิญมันแล้วแก้ไขซึ่งซึ่งเราช่วย oh, อะไรเขาไม่ได้นะครับก็ได้แต่ได้แต่ความห่วงใยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่มันก็จะมีความเป็นห่วงมีความกังวลมีความแบบเออสึกเป็นห่วงเป็นใยอยู่แล้วที่ช่วยอะไรเขาไม่ได้อยู่เนี่ยพวกเนี้ยให้หลักการปล่อยวางของเราจริงๆแล้วอะเราเราควรจะปล่อยวางแบบไหนแล้ว แล้วทำให้เราทุกใจน้อยลงนะครับถ้าก่อนการปล่อยวางแบบถอนรากถอนโคนเลยนะจะต้องปล่อยวางหลวงพ่อใช้คําว่าตัวเราก่อนจริงๆอตัวเราคือขันห้าเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความความไม่รู้ไงพอไม่รู้ปับ๊บพอไม่รู้ปับ๊บมันก็เหมือนกับว่ามันไปเอาขันหน้ามาเป็นตัวเราก็เลยมีตัวเราขึ้นมาพอมีตัวเรามันก็ต้องมีคนอื่นใช่ไหม มันต้องมีคนอย่างที่โยมพูดถึงนั่นแหละพอมีตัวเราปั๊บมันก็มีคนนั้นแต่ถ้าเห็นถูกต้องว่าตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้าก็ เ, าเรียกว่าเนี่ยปล่อยวางขันหน้ไม่ยึดถือขันหน้าว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราอย่างนี้เรียกว่าถอนรากถอนโคนกันแต่ทีนี้ทํำยังไงให้รู้อย่างที่หลวงพ่อพูดก็ต้องฝึกสติให้รู้ว่าตัวเราจริงๆอ่ะคือขันทั้งห้าจะรู้จักขันไหนก็ได้หรือรู้จักรวมทีเดียวห้าขัน คือเหมือนกับว่าให้รู้เราในแบเนี่ ย, ยภาษาหลวงพ่อก็คือรู้เราเสียแล้วก็จะรู้เลยว่าเราคือขันธ์หน้าเราคือสังขารมันไม่ได้เป็นเราที่แท้จริงพอไม่มีเราแล้วเห็นไหมคนอื่นก็ไม่มีคือไม่มีของเราไม่พบตัวเราไม่มีแล้วไงมันถอนรากถอนโคนหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเดี๋ยวหลวงพ่อต้องใช้คําว่าอะไรล่ะคือต้องเห็นตรงนี้ก่อนนะเห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่เรา แล้วก็ความเป็นตัวตนความเป็นตัวกูคือดับแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วแต่พอไม่มีแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ในแบบเขาเรียกว่าเป็นโรคๆก็มีการพูดถึงมีการกล่าวถึงก็คือใช้สังขารนี่แหล ะ, ะจะลึกนึกถึงได้แต่ด้วยปัญญาเนี่ยเข้าใจแล้วว่ามันคือสังขารทั้งหมดไม่ว่าความรู้สึกก็คือสังขารไม่ว่าจะเป็นความห่วงใยมันก็คือสังขารไม่ว่าจะเป็นความวิตกถ้ามีนะอันนี้กรณีที่มันปรากฏขึ้นก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นสังขาร เพราะฉะนั้นให้ใช้ปัญญาตรงนี้ยรู้ถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นสมัมมติทิเห็นถูกต้องเมื่อเป็นอย่างเนี้มันไม่มีปัญหาอะไรฉพระนั้นที่โยมถามเราก็ตอบแล้วก็คือให้ตรงประเด็นก็คือว่าต้องเห็นถูกเสียก่อนว่าเราไม่มีวิธีเห็นถูกก็คือเนี่ยกลับมารู้กลับมารู้ในปัจจุบันยิ่งปัจจุบันได้ตอนเนี้ยเนี่ยสุดยอดแล้วปัจจุบันตอนเนี้รู้เลยเนี่ยตัวผู้ถามเมื่อกี้ผู้สงสัยเมื่อกี้นี่คือสังขารทั้งหมดผู้กําลังหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ก็คือสังขารทั้งหมด ผู้กำลังรอกำลังฟังอยู่ก็เป็นสังขารทั้งหมดเห็นไหมเห็นให้เป็นสังขารทั้งหมดเลยเพราะจริงๆก็คือสังขารทั้งหมดนั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกที่เป็นตัวตนอะไรถ้าทําได้อย่างเนี้อย่างเนี้ยแต่ถึงทําไม่ได้ถ้าเริ่มเข้าใจได้จับทางได้ก็จเจริญให้มากเพียรให้มากที่จะกลับมารู้ตัวเราว่าตัวเราคือสังขารมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเริ่มจากการปล่อยวาง จากตัวเราก่อนใช่ไหมครับใช่ถ้ า, าปล่อยวางตัวได้ถ<ข>อนรากถอนคนเลยถ้าถ้าปล่อยวางตัวเราได้ปล่อยวางก็คือว่าเห็นถูกต้องคือเป็นปัญญาเนาะเป็นปัญญาเห็นถูกต้องว่าอ๋อเนี่ยที่กำที่เป็นปัจจุบันเนี่ยกำลังพูดกําลังนั่งกําลังคุยกําลังมีความรู้สึกเนี่ยที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยรู้มันเห็นมันเนี่ยว่ามันเป็นสังขารแต่ตอนเนี้อาจจะยังรู้สึกเป็นเราใช่ไหมตอนนี้เลยนะรู้สึกเป็นเราไหมตอนเนี้ยใช่ครับอ่าความรู้สึกก็คือสังขาร เพราะอะไรก็มันเป็นสังขารไปหมดมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารถ้ามันปรากฏแล้วมันมีแล้วคือสังขารทั้งหมดก็ไปรู้มันว่าถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าเป็นตัวเราความรู้สึกก็คือสังขารหลวงพ่อพูดเพื่อให้เข้าใจนะตอนนี้ที่เรียกว่าหลวงพ่อสัมพนามว่าหลวงพ่อนะมันยังจําได้เนี่ยว่าสิ่งเนี้คือตัวหลวงพ่อมันยังรู้สึกได้ว่าเป็นหลวงพ่อไงแต่ด้วยปัญญาเนี่ยเข้าใจแล้วว่ามึงจะรู้สึกยังไงมันก็เป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่สังขาร คือมันจะอาการพวกนี้จะเป็นถุงสิ่งถูกรู้ถูกเห็นหมดเลยเช่นพอมีความรู้สึกปับ๊บมันก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้มันก็เป็นสังขารแล้วก็พอจําได้ว่าเนี่ยจําได้นะตัวเนี้ยเรามันเคยยึดถือมาก่อนว่าเป็นตัวเราเอา้าวมันก็เป็นสังขารแต่ตัวที่มันไม่สังขารเนี่ยก็คือยานนั่นแหละที่หลวงพ่อรู้ว่าที่พูดว่าเออมันรู้ตัวเราไอ้ตัวนั้นแหละจะเรียกว่ายานเลยก็ได้เพราะมันเป็นความหลุดพ้นไปจากสังขารแต่ตรงนี้หลวงพ่อพูด คงจะได้พูดให้ฟังะนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมันยังไม่เข้าถึงตรงนี้อาจจะยังไม่ชนานาญยังต้องใช้หัวคิดก่อนว่าหลวงพ่อพูดอะไรมันต้องคิดคิดให้รู้แต่ความจริงอ่ะถ้าเข้าใจแล้วถึงแล้วเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันรู้เลยนะทีนี้ก็โอเคแหละโยมก็สมมติว่ามีความรู้สึกยังไงก็เออหัดรู้ไปก่อนว่าเออรู้สึกว่าเป็นเรารู้สึกว่าเป็นนั่งก็แล้วก็บวกด้วยปัญญาจากการได้ยินได้ฟังขึ้นมาว่า ความรู้สึกมันก็เป็นสังขารเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวนอนหลับคืนนี้เดี๋ยวมันก็ไม่มีความรู้สึกแล้วมันดับใช่ไหมเออถ้าความรู้สึกนี้เที่ยงแท้แน่นอนสแสดงว่าไม่มีการหลับเลยแล้วอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราเอาเพระฉะนั้นมันสแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวนี้พอเลือกคุยกับหลวงพ่อนไปกินข้าวกินนูย่ยคุยกับคนนั่งอา้าวความรู้สึกหายไปหมดแล้วนี่แสดงว่าดับแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี่แหละมันจึงเป็นสังขารไม่ใช่ตัวเรา ผมก็เพิ่งทราบว่าอ๋อจริงๆแล้วพอพอได้อ่านจริงๆก็อ๋อสังขารเราชอบคิดว่าเป็นแบบกายเราหูเราจริงๆมันรวมไปถึงการปรุงแต่งจิตความรู้สึกด้วยมันก็คือนับเป็นสังขารหมดใช่ไหมครับสังขารหมดเลยอขอบคุณครับนะเอาไปแจ้งเลยเนี่ยตรงนี้นี่บางท่านพูดในปัจจุบันได้ไง <c oughs> แต่ <c oughs> ลึกซึ้งเนี่ยมันโอ้โห <c oughs> ในมกกรดกหลงพ่อนะครับก็พอดีผมเพิ่งฟัง เพิ่งฟังครั้งที่สองนะครับครั้งครั้งแรกรู้สึกจะเป็นเทปนะครับฟังไม่ไม่ถนัดนะแต่วันนี้ก็จะดูเข้ามาแล้วก็มันก็รู้สึกสะดุดใจกับสิ่งที่มันคาใจหลายเรื่องนะครับอันอันแรกก็ตัวผมเองก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าก็ก็ยังมีความยึดมั่นเต็มร้อยนะครับเรายังรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยผมก็เคยอ่านคือผมชอบชอบอ่าน ตำรานะครับอ่านพระไตรปิฎกทีนี้มันไปสะดุดอยู่อันหนึ่งตรงที่ท่านพูดถึงเรื่องของปุถุชนนะครับว่าปุถุชนเนี่ยจะตามเห็นตามเหขันห้านะครับว่าเป็นตัวเราทีนี้มันก็อ่านยากมากตรงที่อย่างแค่เรื่องรูปเนี่ยท่านบอกว่าปุถุชนเนี่ยตามเห็นรูป อ, อมันจะมีสี่ในยะนะครับสี่ห้ายี่สิบก็เหมือนกับว่าเป็นมีแล้วก็อีกสองในก็คือตามเห็นรูปเป็นตน ตามเห็นผมอาจจะจําไม่แมน่นนะครับตามเห็นตนมีรูปตามเห็นรูปว่ามีในตนตามเห็นตนว่ามีในรูปอะไรนะครับมันก็แล้วก็จะเป็นอีกสี่ขันมันก็จะเป็นยี่สิบในยะของสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสักกายะทิฏฐิทีเนี้มันก็คือเราอ่านดูเนี่ยเราก็พยายามจะคิดนึกตามนะครับมันก็มันก็ไม่ได้นะครับทีนี้ก็เคยมาสังเกตหลายครั้งว่า อย่างเวลาที่เราฟังฟังอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็พอมีคนเรียกชื่อเราขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนมีตัวเราเนี่ยขึ้นมาทันทีแบบคือถ้าเขาไม่ได้เรียกชื่อเราเนี่ยเราก็เราก็จะเฉยๆยนะครับแต่พอเรียกปุ๊บเนี่ยความรู้สึกที่มันจะอ alert ขึ้นมามันเหมือนมีมีก้อนอะไรบางอย่างที่มันปึ๊บขึ้นมามารับในสิ่งที่เขาเรียกเนี่ยก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าอันนี้มันมันใช่สิ่งที่ ที่เป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเราไหมครับมันก็นแน่นอนนะเพราะว่าอย่างปุตชนที่ยังไม่เป็นอ่าพระยรชั้นต้นคือโสดาบันเนาะก็ยังมีความเห็นผิดอยู่เห็นผิดว่าร่างกายร่างกายนี้จิตนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่คื อ, อยังเห็นไม่ถูกต้องแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอธิบายจะชี้บอกอยังไงก็ยังเข้าใจไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของ ปกติธรรมดาของของปุตตุชนนั่นแหละคือมันต้องอยู่คุณสมบัติคือต้องเป็นอย่างนี้แต่ปุตตุชนเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอริยะบุคคลหรือว่าอริยสงฆ์ได้ก็คือต้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเช่นสอนตั้งแต่เรื่องศีลเนาะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยเรื่องเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาพวกนี้มันจะต้องทําให้ครบถ้วนเลยมันถึงจะทําให้เป็นเพราะว่าเรื่องจริงๆไอ้เรื่องเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยมันเป็นพื้นฐานไง เพราะว่าถ้าผู้ที่ไม่มีศีลเลยเนี่ยมันนําความเดือดร้อนให้ตัวเองให้คนอื่นเนาะทำให้ใจเนี่ยวาวุ่นพอใจวาวุ่นเนี่ยมันหาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้หาปิติไม่ได้เลยพวกเนี้ยมันก็เคยไม่อาจที่จะทําให้เกิดปัญญาได้เลยเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันมารบ ก, กวนมันบังหมดเลยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือต้องเนี่ยจิตต้องสงบก็คือสงบก็คือนะั่นแหะต้องมีศีลก่อนพอมีศีลแล้วก็มันก็จะมีสมาธิสมาธิก็อาจจะ เป็นสมาธิตามธรรมชาติบางช่วงบางเวลามันก็เป็นสมาธิเองเนาะแต่บางช่วงบางเวลาก็เขาเรียกว่ามากําหนดกําหนดรู้รู้อารมณ์สักอย่างเดียวเพื่อไม่ให้จิตเนี่ยมันท่องเที่ยววิ่งไปรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ให้อยู่กับลมก็ได้อยู่กับกายเคลื่อนไหวก็ได้อยู่กับพุทธโธแล้วแต่อุบายพอเป็นอย่างนี้เสร็จมันก็เป็นสมาธิมันก็มีความสงบมีความสุขเห็นไหมพอมีความสุขปรับความคิดต่างๆมันก็คิดในแง่ดีแล้วแง่บวกแหละแล้วก็อะไรต่างๆมันเป็นกุศลนีมันจะออกในทางกุศลหมด แล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้ามีได้ยินได้ฟังเรื่องอได้ยินได้ฟังจากคาสอนพระพุทธเจ้าเนาะโดยถ่ายทอดจากผู้รู้เนี่ยท่านก็บอกว่าเอ๋อเมื่อมีสมาธิแล้วให้สังเกตให้สังเกตการเกิดขึ้นบ้างความเสื่อมไปบ้างของของในทางร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็ดีเห็นความปรากฏขึ้นเช่นสมมติะนะเวลาอันนี้สมมติทาสมาธิแล้วเนาะใจสงบระดับหนึ่งและไม่คุ้งซ่างมาก แล้วก็เริ่มเห็นร่างกายตัวเองเช่นเห็นว่าอ๋อร่างกายนั่งอยู่เนี่ยก็เรียกว่ากําลังมันก็จะเห็นเป็นรูปนิมิตนะนะเ mm. พราะว่าเราไม่ได้ใช้ตาดูมันก็เห็นตัวเองได้ว่าอ๋อตัวเองนั่งอยู่ตัวเองนั่งปิดตาอยู่ตัวเองนั่งกลืนน้าลายอยู่ตัวเองนั่งหายใจอยู่เนี่ยตอนนี้มันเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็เห็นความเจ็บความปวดเห็นความไม่สบา ย, ยาเห็นความเน็บความชาแล้วก็ต่อมาเห็นไอตัวโวยวายวกเวกโวยวายบอกเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยพอแล้วพอแล้ว อันเนี้ยก็จะเห็นความคิดแล้วก็อาจจะเห็นถึงโทสะเห็นความไม่พอใจเห็นความอะไรต่างๆมันก็เริ่มเห็นอันเนี้ย<ม>ตรงเนี้ยเริ่มเดินปัญญาได้แล้วว่าอ๋อทุกสิ่งที่ปรากฏมันปรากฏให้เห็นเนาะแล้วก็ดูต่อเนื่องไปอ๋อมันก็หายจางคลายหายไปอย่างเงี้ยก็เริ่มเห็นความไม่เที่ยงของมันนี่เขาเรียกว่ากําลังเดินปัญญ า, าขั้นต<ม>อนมันมีอีกเยอะอะเนาะกว่าจะถึงอะไรได้คืออันนี้หลวงพ่อก็พูดแบบย่อยอๆให้ฟังแต่ภาคปฏิบัติจริงเนี่ย ก็ต้องต้องไปทําด้วยตนเองโดยรู้วิธีแล้วเนี่ยมีผู้มาบอกแล้วนี่เนาะว่าเออการการภาวานาทํำยังไงเราก็ต้องไปฟังฟังเสร็จแล้วก็เข้าใจแค่ไหนก็ลองทําดูเนี่ยก็ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วก็เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญาเกิดแล้วก็จะเข้าใจเองของผมจะรู้สึกว่าทําไมบางครั้งเนี่ยมันอยู่เฉยเฉยมันจะไม่มันแทบจะไม่รู้สึกแต่ว่าพอเราจะเริ่มเริ่มทําอะไรบางอย่างเหมือนตั้งท่าปฏิบัติ มันจะมีขึ้นมาทันทีแต่ในขณะที่ถ้าเราไม่ได้รู้ถ้าเราไม่ได้แบบตั้งใจจะปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรเป็นตัวเป็นตนนะครับแต่พอจะเริ่มนะครับมันก็แบบเริ่มเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวจะต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเป็นอย่างง้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับจะคือมันเหมือนกับว่ามันแปลกตรงที่ว่าถ้าเราไม่ทํามันเหมือนมันจะไม่มีแต่พอจะตั้งถ้าทําขึ้นมาเนี่ยมัน มันจะมีขึ้นมาทันทีเลยครับอันนี้ไม่แน่ใจไอตอนที่ไม่ทํามันนะมันมีแต่ไม่เห็นเลยมันมีมันมีมากด้วยซ้ํานะมีเยอะแยะแต่ไม่เห็นสักอย่างหนึ่งเพราะอะไรที่มันไม่เห็นก็เพราะว่าสติมันยังระลึกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่จริงๆอ่ะมีไม่รู้อะไรแหละแต่มันไม่รู้เองที่ไม่รู้เพราะว่ามันระลึกไม่ได้ว่ามีอะไรแต่พอเริ่มทําปั๊บเห็นไหมมันจะรวมเหมือนกับว่ามันมัน มันหยุดการรับรู้ทางหูทางตาบางส่วนนะนะคือไม่ไปสนใจคนอื่นพอไม่สนใจสิ่งอื่นปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็เลยเกิดสติขึ้นมาทําให้รู้บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาว่าเฮ้ยของที่ไม่เคยมีไม่เคยเห็นไม่เคยพบทําไมตอนนี้มันเยอะแยะไปหมดนี่แสดงว่าเริ่มเริ่มรู้ตัวบ้างแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในของที่หลวงพ่อพูดคือตอนนู้นมันมีเหมือนกันแหละมีเยอะเหมือนเดิมั่นแหละแต่ไม่รู้ไม่เห็นแต่พอคิดจะทําอะไรขึ้นมาปั๊บ มันเริ่มรวมอะไรบางอย่างไงรวมคือไม่สนใจเช่นไม่ไปสนใจวังเพลงไม่สนใจที่จะมองคนนั้นคนนี้ไม่สนใจที่จะไปวุ่นวายอะไรคือมาอยู่กับตัวเสียพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็เริ่มเห็นดีเริ่มเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏขึ้นพอเห็นปั๊มันก็แปลกใจตัวเองว่าทําไมมันเยอะจังนะ อ้าวก็มันเริ่มมีสติขึ้นมั่งแล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัวตัวระลึกได้ตัวรู้มันก็เริ่มทํางานแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยทําไมมันเยอะจังเนี่ยเพราะงั้นตรงนี้เชีย่ยเห็นเลยว่าไอ้คนที่ไม่สนใจอะไรนะมันมีหมดแหละแต่ไม่เห็นอย่างสมมตว่า ค, ความเจ็บความปวดตามร่างกายนะมันมีมันเกาอยู่ตลอดเวลานะแต่มันไม่เคยรู้ว่าเกาอยู่มันเกินน้ํารายไม่รู้กี่หนมันไม่เคยรู้เลยมันหายใจเข้าใจออกตลอดชีวิตแต่ไม่เคยเห็นเลยเพราะอะไรเพราะมัน มันไม่สนคือมันไม่สนใจแล้วมันไม่รู้ไงทงั้งๆั้งที่ของมีให้รู้แต่ไม่รู้ไม่บอะครับแล้วเมื่อกี้มีอันหนึ่งครับคือฟังหลวงพ่อเทศเมื่อกี้เนี่ยผมว่ามันมันก็ตรงกับอัฏฐที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องอนัตต า, าเลยเพียงแต่ว่าท่านในระดับของความเข้าใจเนี่ยผมว่าผมก็เข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าพอมาดูจริงๆเนี่ยความยึดในตัวเรามันก็ยังมีอยู่เต็มร้อยมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนทีนี้ มันเกไปยังไงต่อครับหลวงพ่อในท่าในเมื่อเหมือนเราถ้าเราเริ่มเข้าใจว่าโอเคมันคือเข้าใจก็เข้าใจส่วนหนึ่งแต่ความยึดมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้ครับมันจะยังไงดีครับก็ยังไงดีก็ถ้าเริ่มต้นนะหลวงพ่อที่เรียนมาก็คือหลวงพ่อไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกแต่ว่ารู้ทางเดียวคือฝึกรู้สึกตัวฝึกรู้สึกตัวก็เพื่อง่ายๆนะถ้าภาษาบ้านๆก็หัดสังเกตตัวเองอะว่าตัวเองเนี่ยมันมี าางช ง, น, งนั้มนมนสมมติว่าเราอยู่คนเดียวนะเพราะเวลาเราอยู่กับคลุกคลีกับหมู่คณะบางทีชวนคุยกันการสังเกตเนี่ยมันมันยากที่จะสังเกตแต่เทรัาถ้าเราอยู่คนเดียวเนาะเรานั่งจะเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งยืนรก็แล้ว แ, แต่เนาะแล้วก็สังเกตตัวเองนะสังเกตตัวเองคําว่าตัวเองก็คงรู้จักแล้วเนาะคือตัวเราเนาะ อ, นอย่าไปอย่าไปสังเกตคนอื่นให้สังเกตตัวเราพอสังเกตก็เช่นสังเกตร่างกายก่อนสมมตินะยืนถ้าท่ายืนเนาะ เราก็สังเกตตัวเองให้เห็นตัวเองเลยว่าตัวเองยือนอยู่แล้วก็ยืนนิ่งๆเฉยๆมันก็รู้เนาะว่าเออตอนเนี้ยอยู่นิ่งอยู่เนาะแล้วก็ให้โยมยืนอยู่นิ่งอย่างนั้นแหละอย่าอย่าเปลี่ยนท่าอย่าขยับเนาะและ้วก็ยืนนิ่งพอยือนนิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สังเกตเห็นว่าเฮยมันลุ่มเมื่อนะเนี่ยเห็นไหบสิ่งพวกนี้ถ้ า, าไม่มีคนชี้บอกนะมันมันรู้ไม่ได้หรอกว่ามันรู้ <ừ> ไม่ได้ว่าแล้วต้องรู้อะไร ทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นปรากฏมาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าต้องรู้อะไรเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้ยินได้ฟังก่อนคือเขาจะบอกทางก่อนว่าเวลาการฝึกรู้เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างเช่นเวลายืนก็ให้รู้ว่ายืนนี่เป็นคําชีช้บอกเนาะแล้วเมื่อยือนแล้วเขาก็ชี้บอกต่อว่าเออถ้ายืนแล้วเนี่ยให้ลองสังเกตนะว่ามันมีความสบายเหมือนเดิมไหมมันมีความเจ็บความเมื่อยไหมมีความร้อนวูบวาบไหมมีอาการง่วงเหงาเหงนอนไหมนี่คือเขาชี้บอก แต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วต่อไปเวลาอาการพวกเนี้ยเกิดขึ้นมันก็ระลึกได้ว่าอ๋อมันมาแล้วมันมาแล้วเ<ม>พราะฉะนั้นจริงนะธรรมของพระพุทธเจ้ามันจะต้องฟังก่อนไงเ<ม>พราะท่านบอกเออพอฟังก่อนก็อ๋อเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มรู้จักแหละว่าอ๋อไอสิ่งนี้มีจริงความเจ็บความปวดความเมื่อยมีจริงเรายืนแล้วนานนามันเบื่อมันเซ็งเออมีจริงมีจริงก็เริ่มรู้จักแล้วว่าอ๋อชีวิตของเร า, นานมันเต็มไปด้วยสิ่งพวกนี้ไง เต็มไปด้วยความยุ่งยากลําบากหมดเลย<ม>หาความสบายไม่ได้เลยอะม อ, อย่างเม่อกี้เนาะอย่างเมื่อกี้ผมก็เคยลองสักพักหนึ่งมันก็จะมีมันจะมีว่าเราเมื่อยเราเบื่อ<ม>อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือและอันนี้คือตัวเราขึ้นมาแนละ้วใช่ไหมครัคือมันไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นเป็นเรา<ม> แ, ตแต่เริ่มต้นอยากเริ่มต้นเนี่ยต้องรู้จักอาการก่อนเนาะเราข้ามกระโดดเลยเนี่ยคงยากอยู่ให้รู้จักสิ่งที่หลวงพ่อยกตัวอย่างนี่แหละเวลายืน แล้วมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเนาะก็สังเกตแล้วก็ก็ผู้รู้เนี่ยก็จะบอกว่าเมื่อสังเกตแล้วเนี่ยให้ดูอาการเกิดขึ้นบ้างเสื่อมไปบ้างอย่างเนี้ยเกิดขึ้นบ้างก็คือเดิมมันไม่มีใช่ไหมเออเช่นความปวดเนี่ย <S 1> <S 1> <S เริ่มยืนปั๊บเนี่ยมันยังไม่ทันเห็นหรอกว่ามีความปวดแต่พอไปยืนไปสักพักหนึ่งไอ้มันเริ่มมาแล้วปวดเกิดขึ้นแล้วนี่เขาเรียกว่าเกิดแล้วเกิดแล้วความปวดเกิดแล้วแล้วก็สังเกตมั่สังเกตแบบ แบบสบายสบายเหมือนกับว่าเราแอ บ, บดูใครสักคนนึงเนาะเออประมาณนี้แอ บ, บดูสาวอะเอออย่างเงี้ยอันนี้เราเรียกว่าแอ บ, บดูความปวดไม่ต้องไปจริงจังในการดูไม่ต้องเพ่งดูหรอกดูตามที่มันมีแบบเหมือนกับแอ บ, บดูสาวประมาณนี้แหละแล้วก็เออเห็นเห็นมันปวดมากแล้วก็ต่อมาอมันปวดแรงขึ้นเนาะป ว, ปวดปวดปวดปวดสุดท้ายมันจะทนไม่ไหวแล้วแล้วไอตัวไอตัวพูดตัวพากเนี่ยมันก็บน มันมันเริ่มมีโทสะแล้วมันแบบหงุดหงิดแล้วอ่ะถ้าสมมติเรายังไม่เปลี่ยนเนาะแล้วมันลำคาญแล้วเห็นไหมมันจะลามไปถึงจิตถึงใจแล้วตอนเนี้ยเราก็สังเกต<ม>อ๋อสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นความจริงของชีวิตนั่นแหละว่าชีวิตเนี่ยมันมีมันมีอาการพวกนี้ยมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่สนใจไงแต่พอเฝ้าสังเกตก็จะรู้จะเห็นตรงเนี้ต้องเห็นอาการพวกนี้ก่อนแล้วก็ต่อมาจากเข้าใจเลยว่ามันมีความไม่เที่ยงไง มีความเปลี่ยนแปลงเออก็ใช่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พูดถึงการบังคับก่อนว่าไอ้สิ่งพวกเนี้บังคับไม่ให้มันเกิดได้ไหมแล้วก็ฝึกลองบังคับด้วยนะบอกว่าเอ้ยจะยืนสักหนึ่งชั่วโมงบังคับอย่าปวดนะปรากฏ ว, ว่า<ม>บังคับไม่ได้หรือถ้ามันปวดแล้วบังคับว่าให้หายหนะน้าบัตรนี้เดี๋ยวนี้สั่งเข้าไปหายเดี๋ยวนี้ปรากฏ ว, ว่ามันไม่เชื่อมันไม่ฟังเราเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าบังคับไม่ได้ ในหลักคําสอนที่เขาอธิบายเขาบอกว่าถ้าสิ่งใดบังคับไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนคือเป็นอนัตต า, ถ, าถ้าเป็นอัตตาคือบังคับได้เพราะงั้นถ้าทําไหนก็แล้วแต่หมายถึงว่าธรรมชาตินี่นะถ้าบังคับได้เขาบอกว่าเป็นอัตตาแต่ถ้าบังคับไม่ได้เขาเรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าใจคําว่าอนัตตาเองว่าอ๋อสิ่งนี้บังคับไม่ได้ถ้าบังคับไม่ได้เขาเรียกว่าอนัตตา แล้วก็ยอมรับมันต่อไปรู้แล้วว่าบังคับไม่ได้แล้วก็ต่อไปอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปบังคับมันเพราะว่ารู้แล้วว่าบังคับไม่ได้แต่ถ้าบังคับชั่วคร า, าวเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยพอได้อยู่เนาะแต่ถ้าจะบังคับให้ถาวรเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อทุกอย่างก็ให้มันเป็นไปตามที่มันเป็นเนาะแต่อาจจะแก้ไขบรรเทาในเรื่องของบางส่วนได้แต่ว่าจะให้มันเป็นตามใจหวังของเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้เราจึงรู้ความจริงขึ้นมาว่าทุกอย่างหวังไม่ได้ หวังไม่ได้หวังไม่ได้คือคิดสิ่งใดให้เป็นไปตามใจหวังเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยต่อไปคือไม่หวังอะไรแล้วเมื่อไม่หวังมันก็ไม่ผิดหวังเลยเมื่อไม่ผิดหวังมันก็ไม่ทุกข์นี่นถ้าพูดไปแล้วก็คือโอ้ยยิ่งพูดไปมันก็ทําให้เกิดปัญญามากมายแต่ว่าของเราเริ่มต้นนะถ้าหลวงพ่อให้นั่นก็คือเนี่ยไปสังเกตตัวเองก่อนนะแต่ต้องควังเพิ่มเติมด้วยนะเพราะว่าหลักคําสอนคําชี้บอกเนี่ยมันอยู่ในการเนี่ยพูดให้ฟังคือเป็นการชี้บอก เมื่อใครชี้บอกยังไงแล้วเราก็ต้องไปทำตามนั้นแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็จะรู้เองรู้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครในแต่ละเรื่องนะหมายความว่าเช่นเวลาเจ็บเนี่ยต้องถามใครไม่ว่าเจ็บเวลามันหายเจ็บเนี่ยต้องถามใครไม่ว่าหายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เองพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้คือเพราะรู้เองคนอื่นก็บอกก็มีแต่เป็นความรู้ของคนอื่นแต่ท่านเนี่ยรู้ด้วยตนเองตรัส ร, รู้ชอบโดยพระองค์เอง วิธีรู้ตนเองก็คือนี่เนี่ยมีสติดูกายดูจิตดูใจก็จะเห็นรู้เองจนเข้าใจแจม่มแจ้งว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่มีตัวตนเลยตัวตนไม่ได้มีท่านก็ก็เข้าใจเรื่องพวกนี้นะลองลองไปนะอยากฟังอย่างเดียวนะโยมเนาะน้อมสักการพระคุณเจ้าครับ